ภาวนาให้ได้ผลดีต้องโง่ามากๆการภาวนาเนี่ยถ้าจะให้ได้ผลดีต้องโง่ามากๆหน่อยถ้าขืนฉลาดแล้วเป็นอุปสรรคกัก้นอยู่นั่นตัวอย่างญาติผู้ใหญ่ของหลวงพ่อคนหนึ่งอ่านหานังสือไม่ออกสวดมนต์ไม่เป็นแกก็มาบ่นว่าโอ้ยเกิดมาชาตินี้ทำไมโง่านักหนานอะ